สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิบิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่28ข้อ18ถึงข้อ22ภายใต้หัวข้อคนสัต์ซื่อสุภาษิตบทที่28ข้อ18ถึงข้อ22โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครับบุคคลที่ดําเนินในความสัต์ซื่อจะได้รับการช่วยกู้แต่คนที่มีเล่กเทในทางของเขาเอง จะตกในหลุมบุคคลที่ไถไรนาของตนจะได้อาหารมากมายแต่ผู้ที่ประกอบการงานที่ไร้ค่าจะยิ่งจนลงคนที่ซื่อสัตย์จะได้รับพรมากมายแต่ผู้ที่รีบมั่งคั่งจะไม่มีโทษหามีได้ซึ่งจะสำแดงความนำเอียงก็ไม่ดีคนอาจจะทรยศเพราะอาหารชิ้นหนึ่งก็เป็นได้คนที่มีในตาชั่ว ก็เร่งหาทรัพย์สิงคาดแต่ไม่ทราบว่าความขัดสนจะมาถึงเขาพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเชาวันนี้ได้เตือนเราว่าอยู่ในความซื่อสัตย์มีชีวิตที่ดําเนินอยู่ในความซื่อสัตย์ปราศจากตําหนิก็จะนําไปถึงความปลอดภัยแต่ในทางกลับกันครับคนที่มีเล่กเท่คนที่มีอุบายในทางของเขาก็จะนําตัวเอง ไปตกอยู่ในหลุมพรางจะล้มลงชีวิตของเขาจะตกต่ำแต่ชีวิตของคนสัตว์ซื่อนั้นจะขึ้นสูงและจำเริญขึ้นพระเจ้าจะช่วยกูบ้บรรดาผู้ที่จัดการกับความบาปของเขาอย่างที่พระองค์กำหนดไว้ในขณะที่พระเจ้าจะช่วยกู้คนที่สัตว์ซื่อในการงานของเขาจะช่วยเขา ผู้ที่ดําเนินอยู่ในความสัต์ซื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้แต่ในทางกลับกันครับใครก็ตามที่ตลบตะแลงมีเลขกะเทก็จะตกไปในความหายันต์สุดท้ายของเขาโดยทันทีพี่น้องครับใครที่ตลบตะแลงหรือคนที่มีเขาเรียกเลเพทุบายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นคนที่สัต์ซื่อเป็นคนที่จริงใจ เป็นคนที่ไม่ใช่หน้าอย่างหลังอย่างเป็นคนที่สามารถที่จะไว้ใจได้และคาดคะเนได้นั่นแหละครับคือคนสัตย์ซื่อข้อ19ได้บอกว่าบุคคลที่ไถนาของตนจะได้อาหารมากมายแต่บุคคลที่ประกอบการงานที่ไร้ค่าก็จะยิ่งจนลงที่นี่ก็พูดถึงเรื่องของความสัตย์ซื่อว่าใครก็ตามนะครับที่สัตย์ซื่อในการทามาหากิน ไถไรนาของตัวเองเขาก็จะรับการตอบแทนก็คืออาหารการทํางานอย่างมีวัตถุประสงค์ก็ก่อให้เกิดความสําเร็จการเดินย่ําในนาของตัวเองเทียบเท่ากับการไถเป็นการละมัดระวังเป็นการที่ดูแลไร่นาของตัวเองในที่สุดเขาจะได้รับผลมากมายจะเกิดผลมากเพียง ค, ครับในการทํางานของเรา เราจะต้องเอาใจใส่ครับคาว่าเอาใจใส่ก็คือเอาใจของเราใส่ไปอยู่ในงานเอาใจของเราใส่ไปอยู่ในความรับผิดชอบมันจะก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์จะก่อให้เกิดความสาเร็จแต่ถ้าเราติดตามสิ่งที่ไร้ค่าหรือเราใช้วิธีการที่ต่อจากข้อที่แล้วคือใช้เล่เพทูบายนั่นคือความว่างเปล่าครับมันจะเป็นการเสียเวลาเพราะว่าในที่สุดนั้นเราจะตกอยู่ในหลุมของตัวเอง ก่อให้เกิดความยากจนตามมาพี่น้องครับสิ่งที่ตรงเงินข้ามในข้อนี้ก็คือว่าใครก็ตามที่สัตว์ซื่อจดจ่อในงานของเขาดูแลงานของเขานะครับเขาจะได้ความสําเร็จแต่ในขณะที่ใครก็ตามที่ปล่อยตัวเองนะครับเขาจะค่อยๆและใช้เวลาสเปะสะปะพลังงานเขาก็จะถูกดูดดูดไปในทางที่ไม่มีประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆที่ไม่มีประโยชน์และไร้คุณค่า พี่น้องครับการพักผ่อนหย่อนใจในชีวิตของเราและความเพลิดเพลินก็จําเป็นแต่ก็ไม่ต้องมากไปครับถ้ามีมากไปมันก็จะนําไปสู่ความเสียหายได้หลายครั้งทีเดียวเราต้องมีชีวิตที่สมดุลครับทั้งในการทํางานและการพักผ่อนชาวนาะที่ทํางานหนักก็จะมีอาหารกินอย่างบริบูรณ์ครับคนที่ทํางานหนักและฉลาดก็จะประสบความสําเร็จ ในทางตนข้ามครับคนขยันกับคนขี้เกียดนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงเงินข้ามเสมอมาในพระกมภีร์สุภา ษ, ษ, ษิตทําให้เรารู้ว่าคนขี้เกียร์หรือคนเกียร์คาร์เขาจะคิดแผนการต่างๆจินนาการมโนและมโนนั้นเป็นมโนที่ไม่สามารถทําได้ไร้ค่าครับ คนเกียรติค้านที่ไล่ตามความฝันของตัวเองคนเกียรติค้านที่ไล่ตามจินตนาการของตัวเองที่ไม่มีคุณค่าก็จะทำงานไม่สำเร็จได้ะจะยิ่งยากจนลงพระอภิภีได้บอกกับเราอย่างชัดเจนครับถึงชีวิตที่เราจะได้พระพรจากพระเจ้านั่นก็คือโดยความสัตย์ซื่อ ในข้อที่20นั้นก็กล่าวต่อไปว่าคนสัตย์ซื่อนั้นจะได้รับพรมากมายแต่ผู้ที่รีบมั่งคั่งจะไม่มีโทษก็หามิได้วิธีที่เราจะได้รับพรมากมายก็คือความสัตย์ซื่อครับเป็นคนที่ไว้วางใจได้คาดการได้นะครับ faithful reliable expectable นะครับคนที่รับพรมากมายด้วยความสัตย์ซื่อนั้นเขาจะไม่ใช้เล่กลไม่ใช้อุบายที่จะร่ํารวยในทางรัฐ การรีบมั่งคั่งในพมพีตอนนี้ก็คือว่าคืออยากรวยเร็วนะครับบ่อยครั้งนั้นก็จะนําไปสู่วิธีการที่คดเคี้ยวไม่ซื่อสัตย์เป็นวิธีการที่บ่ายเบียงเลี่ยงหลบจะหลบภาษีจะไม่สัต์ซื่อจะทําอะไรต่างๆที่เป็นอะไรที่เป็นการคอร์รัปชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการติดสินบนให้เงินใต้โต๊ะทิ้งต่างเหล่านี้ครับคือเกิดจากการอยากรวยเร็ว ความรีบมั่งคัง่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้คนคนนั้นถูกลงโทษโดยสารสถิตยุติธรรมหรือโดยความยากจนหรือทั้งสองอย่างพี่น้องครับพระกัมพีบอกว่าจะไม่มีโทษก็หามิได้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับคนที่น่าซื่อใจคดน้าไหวหลังหลอกเป็นคนที่ไม่จริงใจและรีบขวนขวายหาผลประโยชน์ใส่ตัวอย่างรีบเร่งเกินไปอยากรวยเร็วเพราะฉะนั้น ใครก็ตามครับที่อยากรวยเร็วเขาก็ลังมีความโลภและบาปของความโลภอิทธิพลของความโลภก็จะครอบงำชีวิตของเขาพี่น้องครับหากกำลังตัดสินใจทำอะไรนะครับเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเกี่ยวกับรายได้พี่น้องครับผมอยากจะแบ่งปันเตือนสติว่าอย่าโลภนะครับความโลภเป็นความบาปครับ มีผู้อธิบายว่าคนสัตซ์ซื่อนั้นก็คือคนที่ดำเนินการต่างๆดำเนินชีวิตของเขานั้นในความสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับใครก็ตามที่สัตซ์ซื่อนั้นเขาจะตั้งใจที่จะให้งานของเขาการดำเนินชีวิตของเขานั้นสอดคล้องกับน้ำพระทัยหลักของพระเจ้าในทางกลับกันครับผู้ที่รีบเร่งหรือผู้ที่อยากรวยเร็วก็คือคนที่มักใช้ทางลัดเพื่อก้าวสู่ความมั่งคั่ง ใครก็ตามครับที่มั่งคั่งอย่างรวดเร็วก็เป็นที่น่าสงสัยใช่ไหมครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นคนสัตซ์ซื่อและข้อต่อไปก็สืบเนื่องจากข้อข้อเดียวกันครับคือข้อที่21ซึ่งสำแดงความลำเอียงก็ไม่ดีคนอาจจะทรยศเพราะอาหารชิ้นหนึ่งก็เป็นได้พี่นุ่นครับที่นี่พูดชัดเจนครับคนที่สัตซ์ซื่อนะครับก็ควรจะมีความยุติธรรมนะครับไม่ลำเอียงเพราะว่าการลำเอียงนั้นก็ไม่ดี ผู้ครอบครองที่สัตซ์ซื่อก็จะไม่รับสินบนพี่น้องครับการรับสินบนนั้นเป็นการบิดเบือนความยุติธรรมและง่ายมากครับที่จะรับสินบนแล้วไปทำลายผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทำลายโอกาสตัดโอกาสการแข่งขันบางคนแสดงความลำเอียงนะครับแม้กระทั่งแค่อาหารชิ้นเดียวครับบางทีบอกว่าคนอาจจะลำเอียงหรือคนอาจจะทรยศ คนอาจจะเปลี่ยนใจเพราะว่าสินบนอาหารชิ้นเดียวก็เป็นได้เมื่อคนคนหนึ่งรับเงินทองในการแลกเปลี่ยนกับความโปรดปรานหรือความลำเอียงมันก็จะกลายเป็นการทดลองมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเขาเงินที่ได้รับมาอย่างง่ายดายถือว่าเป็นสิ่งเสพติดครับและในที่สุดคนที่รับสินบนก็จะรับแม้กระทั่งเงินที่เล็กน้อยมากพี่น้องครับคนที่มีอำนาจ ที่จะให้คุณให้โทษใครหรือให้งานกับใครก็จะต้องเรียนรู้ในการที่เราจะไม่รับถิ่นบนเพื่อที่เราจะไม่เกิดความลำเอียงความลำเอียงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าครับต่อไปเราจะมาถึงข้อสุดท้ายในเช้าวันนี้คนที่มีในตาชั่วก็เร่งหาทรัพย์สริงคารและไม่ทราบว่าความขัดสนจะมาถึงเขาพี่น้องครับในข้อนี้ คนที่มีในตาชั่วมีความหมายว่าคนขี้เหนียวคนตระหนี่เขาเร่งสะสมความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วก็จะจบลงที่ความยากจนพี่น้องครับคนที่มีอำนาจนะครับสืบเนื่องจากข้อที่แล้วก็คือถ้าหากว่าลำเอียงหรือมีความชั่วร้ายอยากรีบรวยเร็วนะครับก็จะสะสมความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วแต่ว่าพระกมีบอกว่าจะจบลงด้วยความยากจนครับ เป็นสิ่งที่น่าระวังพึงระวังเป็นอย่างยิ่งอีกความหมายหนึ่งของคำว่าในตาชั่วก็คือเขามีความประสงค์หรือจุดประสงค์ต่างๆที่ชั่วร้ายหรือความตั้งใจที่ชั่วร้ายเพราะฉะนั้นมันเป็นความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวที่อยากรวยเร็วทำให้เขาได้ละทิ้งความสัตย์ซื่อของเขาไปและช่วยเอาความลำเอียงความไม่สัตย์ซือความน่าซื่อใจคด เขาก็เกลียดชังเพื่อนที่เคยคบกันมาได้เขาลาเอียงได้เพราะว่าเงินสินบนเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆน้อยพี่น้องครับอย่าลืมครับว่าความโลภนั้นจะนำไปสู่ความยากจนยากจนอะไรครับยากจนสภาพยากจนความชอบธรรมและล่ารวยความอธรรมนี่คือสิ่งที่พระกัมพีเตือนเราไว้นะครับขอให้เราเดำเนินชีวิตอยู่ในความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาจริงใจ และไม่ลำเอียงอาเมน